ที่คิดเป็ตัวเราซึ่งมีความเป็นตัวเรามีนิดเดียวมากวินาทีเดียวปุ๊บโผล่มาแล้วเราก็จะทบทวนว่ามีความเป็นตัวตนของเราอย่างนี้มันก็จะยึดถือว่ามีตัวตนแตจ่จริงๆมันไม่มีเพราะมันอยูแป๊บเดียวมันก็หายตัวเองก็จะหายไปทุกขนาทุกวินาทีเวลามันจะคืนกินหมดปุ๊บหายไปตรงนี้ทีนี้ถ้าเราคิดทบทวนเราจะเอาของเก่ามาคิดเราก็จะ าตามเหตุผลตามความหมายที่เรามาทุกคนจะมีโลกส่วนตัวไมเหมือนกันบางคนมีส่วนโลกส่วนตัวของความรักสงบบางคนชอบสมาธิบางคนชอบเที่ยวชอบฉะนั้นจะเอามามาเอามาใช้ทุกคนไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าคิดทบทวนเป็นเมื่อไหร่มันก็จะเดินช้างา น, านนะเพราะามันเอาตัวเองไปไว้ ต, ว ต, วต้องฉับพลันตัดปุ๊บหายคือสุญญตาทีเดียว แต่ถ้าถ้าเผือไปคิดเอาตัวไปพิจารณาพิจารณารมพิจารณาอะไรก็ตามตามเหตุผมสู้ไม่ไดเาะว่าสั่งสาวัดมรรจักรนั่นเลยกืนกินเราไปที่เมื่อาอาจารย์พูดถึงถ้าเราทุกการะทำคนขามของความว่างมันเลยไม่ว่าชงตัวนี้สําคัญมากเลยคือมันเป็นใจที่สำคัญเราเรายึดความว่างที่จะเป็นทาใชคงได้ทั้งว่างก็ไม่ควรยึด แล้วก็ทั้งทั้งทำที่ว่าที่ว่าเราไปกระทํามันทาให้บางหมดเลยเพราะว่ามันยังใช้ความคิดตั้งกันใช่ครับโดยที่จะบรรลุถึงอะไรบางสิ่งใช่ครับตรงนั้นมันเป็นตัวที่ละเอียดซ่อนอยู่เหมือนตัวแบ็กกราวด้านหลังเป็นผู้บผู้บงการทั้งหมดแต่จริงๆเองที่แอคชั่นที่เราแสดงออกทุกอันในทุกความคิดทุกการกระทำมันเป็นเป็นเป็นตัวประกอบหมดเลย ผู้กำกับทั้งหลังแล้วทีนี้ผู้กำกับก็ยังไม่ใช่นะแต่แต่ให้เราเห็นก่อนสุดท้ายเดี๋ยวมันจะสลายไปเองแต่ถ้าเราอยา่างตามจิตตามใจตามจริตตามนิสัยตามเหตุผลตามควา ม, มรู้ต้องเห็นตัวที่มันสั่งข้างหลังใช่ชาวเนะ็คือจิตเหลื่อมแพรหรือปุ๊บมันจะเห็นเห็นทั้งสสงสว่างเลยเห็นเห็นทั้งวงจรถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยมันเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อแค่นี้แล้วทีนี้หน้าที่ต่อไปจิตจะดําเนินเองแหละเพราะว่า ถ้าเราไปตัดใจเราไปสร้างก็คือเหมือนว่าเราไปพยายามทำสร้างสร้างสิ่งขึ้นมาเพื่อบังบังจิตเดิมแท้บังความเอาความคิดเบาบังความาธรรมชาติ<ม>เราสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อบังบางธรรมชาติที่ที่เรามีอยู่แล้วกันทุกคนผมรู้ส<ม>ึกวิธีที่อาจารย์พูดคือถ้าเราค่อยๆสลัะสิ่งที่มันอยู่ในใจออก ครับมันเป็นวิธีงา่ายที่สุดง่เอาอะไรเออกมาใช่ครับคือพิพา์เนี่ยเหมือนว่าคนทั่วไปเนี่ยไปเรียนรู้เพื่อจะสะสม<ช>แต่เนี้ยทีนี้พิพานนี่คือการสละออกสละออกจ น, จนจนเหมือนว่าสักการที่ทิฏฐิวิกิติฉาวความสงสัยความรู้ความมีความหม่อ่ะต้องขายออกไปื่อยลูกนาแกใจ ที่พระพุทธเจ้าสอนมาทุกอย่างคือสละออกมันมันไม่มีประโยชน์อะไรที่ได้เหรอใช่ที่ดูมามันไม่ช่อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นนะครับยิงเอามาแตะทบทวนมันยิ่งบางทันทีแต่ทีนี้ก็ต้องเอาไว้เอาไว้ใช้เพื่ออยู่ในสังคมในงานก็ไอ้ตัวนี้เก็ต้องแบ่ว่าเราก็ต้องอยู่ไว้ใช้เพราะเราไม่ได้ดีโลกเราอยู่ด้วยทางโลกแล้วก็สัโลกกสังคมฉะนั้นแล้ว เราจะเห็นไอเดิมแท้คือความวา่างเหมือนห้องเนี้ปุ๊บมันก็มีความวา่างในร่างกายในเม็ดเซลล์ทั้งทั้งนิวเคลียสมีความวา่างหมดมันก็คือวานน่างนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่วา่างปุ๊บไม่มีอะไรเลยอืมันมี ม, มีองค์ประกอบทุกอย่างแต่เราแ ต, เแต่เราจะไปทําอะไรเราจะไปเห็นไอสิ่งที่ว่าไม่วา่างเห็นเฟอร์ น, นิเจอร์เห็นนู่นเห็นนี่แต่เราลืมสิ่งนี้ไปเดี๋ยวอาจารย์พูดก่อน มันซ้อนเลยซ้อนทันทีเลยอย่างเช่นโยมเอาขันท่าเอาเรื่องที่สัญญาสัญญาความจําได้ไหมยูโยมไปเจอปุ๊บโยมจําเองไหมปุ๊บมันจะจําเองโยมไม่ต้องบอกให้จำเจอต้นไม้เจอของเจอนี้เจอนั้นปุ๊บมันจําเองหมดไม่ได้สั่ให้มันจําสุปเราไม่อยากให้จํามันจะจําตลอดหัวใจยุปพูดถึงเรื่องกายเรื่อสัมผัสเรื่อง วิญญาณอะไรมาทำงายกต้องต้องต้มีติกเองหมดเลยเราไม่เคยไปสั่งอะไรมันเลยแล้วก็เห็นปุ๊บมันจํามันมันทําหน้าที่ของมันเองคือไม่วิธีนี้ไม่ต้องมีการฝึกอะไร็ไม่ต้องฝึกอะไรไม่ต้องใช้ต้องคือไม่ทําเลยคือคือเห็นเห็นเห็นต่อหน้าแต่ว่าไม่ทําแต่ว่าไม่สอนมันยากตรงที่ว่าเขาเรียกว่าจอมยุทธ์ไรจมด่าเหมือนว่าเห็นปุ๊บเนี่ย เงียบอยู่ในความเงียบแต่ว่าไม่เคลื่อนไหวอันอเป็นฐานสภาวะตึงอยู่ไม่ต้องหาอะไร เ, เห็นปุ๊บสักครั้งแค่เราหยุดปุ๊บเราก็จะเจอแล้วว่าอ๋อไอ้กลไกทั้งหมดที่ที่เห็นมาเนี่ยโอ้มันมันทำงานเองหมดเลยแล้วพอเราไปยุง่ง<ม>ทําอะไรปุ๊บมันก็จะทุกขงังทันีผมก็รู้สึกว่าพอเราไปนั่งอเขาไม่ได้มันจะมีตัวตนที่มาใช่ครับมันจะทุกขังพอทุกขังเสร็จปุ๊บ พออาจารย์บอกอนิจจังทุกขังอนัตตามันจริงมันก็จะพอเราไม่ทุกขังมันก็คืออนัตตาธรรมชาติของมันเองแล้วพอเราซ้อนมันก็เกิดเกิดมีความมีความคิดที่ว่าคมิดเข้ามาันมงอยู่ถ้าเราไม่แยกที่หลใช่แย่งจริงพอเราเห็นปุ๊บมันก็จะปลอบใจนะมันก็ไม่คิดของมันเองแล้วก็ขันห้ามันก็ทางานของมันเองเราก็เพียงแต่ว่าดูกายเหมืนหยนต์เดินทางานเคลื่อนไหวดูจิตดู แต่ดูไม่ใช่ตั้งใจดูนะเหมือนว่าเห็นกระบวนการแต่ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่เราก็คือเห็นกระบวนการคอยมาเห็นจนจบใช่ใช่แล้วก็ไม่ย้ำส่วนใหญ่คนจะย้ำว่าเราคิดเราพูดเราทําเรานน่นเรานี้คือเรายั้ำมุขทานใส่ว่าเป็นตัวเรากับพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนบอกนั่นไม่ใช่ตัวเราสตินี้ไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่เราปัญญาไม่ใช่เราเหมือนปัญญาเนี่ยถ้าปัญญากบคนทั่วไปก็จะเรียนรู้ เพื่อสะสมเยอะๆเพื่อได้ปัญญามันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าต่อให้ทางโลกแหละครับแต่ถ้าเมื่อไหร่หยุดปัญญาปัญญามีตททันทีอมันนิดนึงนะนิดเดียวต้องคืนทุกอย่างให้กับโลกใช่ครับคืนกับคืนสู่ธรรมชาติกายใจจิตนี้ความคิดนี้คืนสู่ธรรมชาติหล่ผ่านให้หมดเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแค่เสี้ยวนิดหนึ่งว่ายึดว่าเป็นเราอยู่ในสางสวรรค์เลย แล้วมีประเด็นยังนะครับคือเป็นเขาปฏิบัติเหมือนสายที่เขาปฏิบัติต้องมีตัวผู้รู้มีอะไรจิดหนึ่งครับือพอสุดท้ายแล้วตจริงผู้รู้เราเป็นต้องมีไหมจริงจริงมันไม่จําเป็นนะเพราะเพราะผู้รู้ก็คือจิตถามว่าจิตเนี่ยมันบอกไหมว่ามันเป็นจิตไม่บอกเราใส่ความหมายไปให้แล้วเราต้องไปเรียนรู้จิตไหมไม่ต้องจะไม่ต้องแล้วแล้วไอ้นิพานนี่เกี่ยวอะไรกับจิตไหม ก็ไม่เกี่ยวแล้วเราจะไปเรียนรู้ทําไมก็คือที่เราทําทมาเพื่อจะทิ้แต่เราไปเจทางนี้เพื่อจะไปทิงมันอีกทีใช่ไปสร้างสมุดขึ้นมาอีกซ้อนสมมุติแล้วก็ไปลงสมมุติที่เราสร้างสุดท้ายก็เป็นสร้างทางมักสร้างสร้างสร้างไปเรื่อยตัวเองมีหลายสังกักหลายสาขาสุดท้ายงงไป<า>มีทางเด็มมากแล้วพอฟอาผู้รู้นี่แทบไม่มีความชื่นเพนในชีวิตเลยต้องแคบสา ใช้งานในการประกอบอาชีพการกินการอยู่ในสังคมมันแค่ใช้งานของมันเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปสั่งการมันก็รู้ของมันเองเหมือนเหมือนเราเห็นเห็นสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันทํากระบวนการของเรารู้ปุ๊บจาคิดคิดทําพูดเราไม่มีการสั่งมันไปเองโดยที่ความปล่อวนี่ปุ๊บเราแต่มนุษย์เราเข้าใจว่าไอเนี้ยคือเราแล้วเราสั่งการมันแต่จริงๆมันทํางานเองเลยระบบเซลล์ อย่างร่างกายอย่างสมองความคิดรวมเป็นกายเนี่ยถ้าถ้าแยกเป็นชิ้นๆๆๆตัวเราพักเหมือนว่าไม่มีแล้ะแต่มีสี่หนึ่งคือความคิดไอ้ตัวเนี้ยคือตัวสั่งการเนี่ยก็คือถ้าเป็นอ า, าจารย์อาจารย์แนะนำว่าคือไม่ต้องไปรักษาอะไรแบบนึงไม่ต้องรักษาเข้ามาที่ตัวนี้เลยเข้ามาตัวจิตเดิมแท้เลยแล้วจะมีคนถามว่าเข้าได้ไหมถ้าเขา ง่ายไม่ใช่ยากแต่ไม่ใช่ง่ายคือตัดความคิดเห็นที่ว่าเราใส่ความหมายไปไม่ใช่ที่ยากแต่ไม่ใช่ที่ง่ายแค่แค่ไม่คิดนะมันก็ถึงเลยแ ค, แค่นี้เองแค่นี้เองเรื่องมันมีแค่นี้เองแล้วก็ไปคิดของมันเองนะไม่ใช่เราใส่ไว้ไม่คิดสัพพะก็จะเห็ น, นกลไกว่าอ๋อมันเป็นแค่นี้เองแล้วจิตก็จะตื่นขคืนสู่ธรรมชาติมาจะเป็นธรรมชาติที่ฟ้าผางไม่ใช่แค่อยู่กับกายกับจิตกับความรู้ที่เรามี เราวก็ยึดสิ่งนันไว้แล้วก็บอกไว้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้แต่จริงๆเราไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนเหมือนว่าเป็นแค่แค่สารพัสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติในโลกนี้เท่านั้นเพราะผมรู้สึกเหมือนว่าถ้าเราเหมือนถ้รักษาอะไรไปบางอย่างว่าสติหรือตัวผู้รู้มันแบบเป็นภาระที่มันใช่ใช่ใช่ไม่้ต้อครับมันไม่ใช่หน้าที่ที่ว่าจากเดิมมันไม่มีอะไรอยู่แล้ว อยู่ดีเราไปสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อจะทิ้งมันอีกทีแล้วเพื่อจะทิงมันอีกทีหนึแล้วซึ่งมันไม่มีประกอบไม่มีองค์ประกอบเลยเช่นมันก็คือไม่มีประโยชน์<ม>เขาก็ไปวนกับสิ่งนั้นแล้วเพื่อหาสังเกตเพื่ อ, อ, อภาพเพื่อเพื่อมีความรู้ในด้านนั้นกลายเป็นว่าเราลืมสิ่งที่ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรอยู่ข้างหลังหมดเลย<ม>เราหมดแต่สาระวนไ<ม>ปยุ่ตัวนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยแต่เราเห็นมันเพื่อเป็นทางผ่านได้เพื่อรู้มันเป็นองค์ประกอบทุกอย่างคือผ่านต้องผ่านอย่างเดียว เหมือนมาที่วิ่งทางถ่านเนี่ยปุ๊บเราไปเราไปเห็นของเหมือนกิเลสเห็นของของนี้ปุ๊บเราไปยลุดอยู่ตรงนั้นหมดเลยแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเปล่าไม่ม่บรรบรรทายทีว่าเราต้องไปเจอจุดเดิมแท้แต่ทีเนี้ยเราไม่เราไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปเจอสิ่งพวกนี้เราตรงสู่สุญญากาศตรงสู่จุดเดิมแท้ได้เลยเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายถ้าคนไหนมี ไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้ความเห็นความหมายมันก็จะมีบางขนานี้เข้าคือง่ายมากถือว่าไม่ใช่ข้าวอะไทึมันมีอยู่แล้วทุกคนอย่างความว่างเนี่ยพอเราไม่ได้คุยปุ๊บหยุดปุ๊บมันก็ว่างของมันเองเราก็เห็นแต่ว่างและไม่ว่างก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่จึดใหม่นะคือเราจะเห็นทางการสองไม่ใช่ทาคูแค่นั้นเองเพระาาจากโทรท